อยู่หิ่งห้อยเจอหิ่งห้อยไหมเห็นบ้างไหมเห็นที่บินหรืออยู่ที่พื้นเห็นที่บินหายากนะมันเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟกับสิ่งแวดล้อมมากเลยอย่างคนฉีดยาฆ่ า, มาแมลงหรือฉีดยาฆ่าญ้าอะไรเนี้ยหายไปใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฉีดยาจุกเดียวเนี่แนะสามสี่ปีแล้วอกลับมาได้อีก นี่เลยเป็นตัววัดความสมดุลระบบนิเวศตัวหนึ่งที่วัดหลวงพ่อมีเยอะองเหมือนกันน่าจะเยอะกว่าทางโน้อนอีกอยู่ข้างโน้อนอยู่ทางที่หลวงพ่ออยู่ด้านโน้นตรวที่โยมอยู่เนี่ยมันไม่ชอบหรอกตุกแกเยอะทำไมทางนี้ตุกแกเยอะกว่าทางโน้นทางโน้นเป็นป่านะแต่ว่า ไม่ได้เปิดไฟอยู่มืดๆส่วนใหญ่มันก็หากินยากก็น้อยทางนี้เปิดไฟเยอะชอบว่าหลวเพาะมีนกเงือกด้วยนะ ม, มีมีอยู่สามตัวสองสามตัวสัตว์หาที่อยู่ลำบากมนุษย์แย่งไปหมดะ งั้นเราอย่าไปเกิดเป็นสัตว์นะต่อไปข้างหน้าไ <c oughs> ม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเป็นช้างก็ไปเดินข้างถนนอะไรเงี้ยนะเท้าของช้างมันไม่เอาไว้ไม่เอาไวเนน้เดินบนปูนเดินบนปูนร้อนๆนั่นทรมานมากเลยไม่เดินก็อดตายอะไรเงี้ยงั้นพวกเราต้องมีสติให้มากอย่าให้โมหะครอบไปเกิดเป็นสัตว์จะลําบากต่อไป มนุษย์มันเบียดเบียนมากมีบางคนจะไปซื้อช้างไปปล่อยซื้อซื้อได้จะเอาไปปล่อยปล่อยก็ได้แต่าตายอยู่ๆช้างไปปล่อยในป่านะช้างอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นช้างต้องอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆเป็นโคลงใหญ่ไปปล่อยตัวหนึ่งเสื อ, อไปกินหมดลาบากมากสัตว์เนี้ต้องตั้งใจไว้เราจะไม่ไปเป็นสัตว์ แถวนี้ก็ห่วงซุยเยอะบางคนว่าเปลดเยอะออกเป็นเปรตก็ลําบากนะอดอยากเป็นสัตว์ก็ลําบากตกนรกยิ่งลาบากใหญ่ฉะนั้นวัตานะไม่น่าไว้วางใจนะเวลาเราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีนะชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นชั่วขณะเดียวเท่านั้นจุติจิตดับลงปุ๊บ ปฏิสนที่จิตก็เกิดขึ้นในภพใหม่เรียบร้อยแล้วแก่อนที่จุติจิตจะเกิดมันจะมีนิมิตนะจะเกิดนิมิตขึ้นก่อนนิมิตมีหลายแบบนิมิตอันหนึ่งไปเห็นที่ที่จะไปเกิดนิมิตอันหนึ่งจะเห็นกรรมที่เคยทำไว้ นิมตออย่างหนึง่งไม่เห็นตัวกรรมที่เคยทําให้โดยตรงจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทํากรรมเช่นเคยจับปลาบ่อยๆอาจจะเห็นปลาเยอะแยะเลยฝูงปลาไล่ต้อนไล่จับแล้วจะเปลี่ยนสถานะนะจากคนจับปลาเป็นปลาที่ถูกจับในพริบตาเดียวหรือเห็นแหเห็นอวนเห็นเครื่องมือในการจับ ก็เป็นนิมิตอีกแบบหนึง่งเห็นกรรมที่ทำโดยตรงหรือเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมนี่ก็ได้เห็นที่ที่จะผิดเกิดก็ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อมีเพื่อนันหนึ่งพ่อเาไม่สบายพ่อเขาเนี่ยเป็นคนใจดีตั้งแต่หนุ่มๆ น, นะแต่ว่าเจอมดดำไม่ได้ถ้าเห็นหมดเข้าแถวเนี่ยต้องบีทั้งแถว ถึงจะสะใจเวลาไปอยู่โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเอกชนด้วยไม่ใช่โรงพยาบาลหลวงนะโรงพยาบาลหลวงก็มอมแมมหน่อยโรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆก็สะอาดหน่อยบวยวายอยู่ตลอดเลยว่ามดดำมาเดินเข้าแถวเยอะแยะเลยเห็นแล้วอยากบี่อยากวี่กวิ่คนเขาก็ดูเห็นมีสักตัวงเนี่ยจิตที่ทํากรรมไว้นิมิต จำกนิมิตมันเกิดขึ้นมาบางคนไม่เห็นที่ที่จะไปเกิดเห็นท้องทุ่งเห็นอะไรต่ออะไรได้ไปเป็นวัวเป็นค ว, วายเราเลือกไม่ได้เวลานิมิตจะเกิดนะั้นเหมือนเราฝันเวลาฝันเลือกได้ไหมฝันวันนี้จะฝันดีฝันถึงคนนั้นคนนี้เนย ฝันที่สวยๆงามๆถ้าเราเลือกความฝันไม่ได้เรายังเลือกที่เกิดไม่ได้หรอกเวลานิมิตเกิดที่มันเหมือนฝันอย่งนั้นแหละจิตจะเคลื่อนตามเวลาฝันเรารู้สึกไหมว่าเราฝันเวลาฝันเราไม่รู้สึกว่าฝันนะเรารู้สึกว่าจริงจังรู้สึกไหมฝันนี่เป็นเรื่องจริงมากเลยกำลังเหาะอยู่ก็รู้สึกจริงจริงอีกยำลังดําดินอยู่ก็เป็นจริงๆอีกทําอะไรก็รู้สึกจริงไปหมดเลยมันแยกไม่ออกว่าฝัน ันนิมิตอะไรเกิดนะจิตที่ไปทางนั้นนะเราเลือกฝันไม่ได้นิมิต ท, ที่จะเกิดตอนตายก็เลือกไม่ได้มันจะไปตามความเคยชินและเราจะต้องพยายามมาสร้างความเคยชินฝ่ายดีไว้เรื่อยๆความดีทั้งหลายนะมีหลายระดับการทำทานก็เป็นความดีรักษาศีลก็เป็นความดีเห็นคนอื่นเขาทาดีแล้วดีใจกับเขาก็เป็นความดีเรืออนุโมทนา อนุโมทนาดีตรงไหนดีตรงแก้ริดสยาได้เห็นเขาดีแล้วอิจฉาเขาถ้าดีใจกับเขาด้วยเขาดีเป็นบุญฟังธรรมก็เป็นบุญนะฟังธรรมก็เป็นบุญแสดงธรรมก็เป็นบุญอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญอนุโมทนาส่วนบุญของคนอื่นก็เป็นบุญบุญมีสิบอย่างนะเรียกบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างมีทานมีศีลมีอะไรเงี้เป็นบุญทั้งนั้นนะ ทำสมาธิอย่างเงี้ยแต่บุญที่เหนือบุญธรรมดานะบุญที่เลิอดที่สุดเลยคือบุญที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่เป็นบุญธรรมดาพาเราเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดีแต่บุญจากการเจริญสติปัญญานั้นเนี่ยพาเราข้ามภพข้ามชาติได้ น, นั้นเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุด การที่เราจะมาฝึกมีปัศนากรรมฐานมาแยกรูปแยกนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่คือบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่มนุษย์อย่างพวกเราจะทำได้บางคนหวังว่าวันหนึ่งจะมีพระเข้านิโรธสมบัติใครเคยคิดเรื่องนี้มะถ้าพระเข้านิโรธนะออกจากนิโรธเราจะไปดักทำบุญดีไหมดี จะผลบุญจะให้ผลเร็วมากเลยในวันนั้นจะให้ผลรวดเร็วเลยแต่บุญอย่างนั้นนั่นเป็นบุญอยู่กับโลกเราต้องมาทําบุญข้ามโลกให้ได้เหนือโลกให้ได้โลกนี้มันทุกข์จเจริญสติจเจริญปัญญาให้มากรักษาศีลไว้ก่อนมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็จเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปใจเราเป็นแค่คนดู ดูจิตมันแสดงใจลักษณ์ได้ดูไปดูไม่ได้ดูกายแสดงใจลักษณ์ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะนี่สมถะไว้ใช้ตรงนี้ไว้ใช้ตอนที่ทํำวิปัสสนาไม่ไหวไม่ใช่สมถะทําไปแล้วจะเกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันงั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้นะโอกาสที่เราจะเข้าถึงมรรคผลในชีวิตนี้ก็ไม่เกินวิสัยที่จะทําได้หลวงปู่ดุลเคยบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไม่ยากที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําทมากผลต้นๆ น, นะในชีวิตนี้มากผลเบื้องปลายยากเหมือนกันครูบ า, าอาจารย์ท่านก็บอกว่ายากแต่ต้นๆไม่ยากเมื่อปลายบารมีต้องแก่กล้ามากกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะพวกเรายังไม่กล้ารู้สึกไหมพวกเรากล้าอะไร กล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตแต่ไม่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะหรอกอย่างนี้ผ่านไม่ได้นะชาตินี้ยังไม่บราารลุพระอรหันต์แต่เอาแค่ว่าจิตไหลเรารู้จิตไหลแล้วรู้นะจิตตั้งมัน่นกิเลสเกิดมาสู่จิตรู้ทันเลยกิเลสครอบงําจิตไม่ได้มีศีลเนี่ยแล้วก็เห็นเลยกิเลสจะมาหรือกิเลสจะไป จิตจะไหลไปหรือจิตจะตั้งมั่นก็เลือกไม่ได้นี่ล้วนแต่แสดงอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ในกายในใจเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาไปเรื่อยการที่เราเห็นทุกอย่างมาแล้วไปเรื่อยนะนั่นแหละเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้ ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตไหลไปเรารู้อะไรเลยได้สมาธิได้ความตั้งมั่นตรงที่กิเลสเกิดกับจิตเรามีสติรู้นะเราก็จะได้ศีลอัตโนมัติอาศัยสตินี่เป็นเครื่องมือสําคัญเลยพระพุทธเจ้ายกย่องสติมากนะคู่กับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะท่านเรียกว่าทำ ม, มีอุปการะมากอย่างพ่อแม่มีอุปการะกับเรามากนะเลี้ยงเราจนเราโตสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเลี้ยงเราจนเราเติบโตไปถึงมรรคผลนิพพาน สัมมาชัญญาคืออะไรสัมมาชัญญาคือปัญญานะสัมมาชัญญาเป็นตัวปัญญารู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะทำเพื่ออะไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงอยารู้ชัดพวกนี้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมไปทำสิ่งอื่นไม่ละเลยเรารู้ว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้เพื่อ ว, วันหนึ่งจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถืออะไรในโลก ถ้าไม่ยึดถือได้ก็ไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆอีกต่อไปความทุกข์อยู่ที่กายเราไม่ยึดกายเราก็ไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่จิตใจเราไม่ยึดจิตใจเราก็ไม่ทุกข์นะก็พ้นจากความทุกข์ไปเป็นการสัมมชัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ตีกรอบตัวเราเองไม่ให้ออกนอกรู้นอกทางนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจแล้วคอยรู้ไปด้วยถ้าประกอบด้วยสมาธินะใจตั้งมั่นเป็นคนดูด้วย ก็จะไปริ้วเลยหเห็นไตรลักษณ์รวดเร็วถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะ7วัน7เดือน7ปีต้องมีผลบ้างแนะถ้าเราไม่ดีเกินไปหรือเร็วเกินไปต้องมีผลบ้างดีเกินไปเช่นปรัชนาพุทธภูมิเนี่ยทำวิปัสสนาแทบตายก็ไม่ตัดนะหรือเร็วเกินไปเช่นเราทําอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยนะพวกเราทําแต่เราก็ไม่รู้ใครเป็นพระอรหันต์นะถือถือปืนยิงส่งเดชไปดโดนพระอรหันต์ตายอย่างเงี้เป็นอนันตฤกยกรรมเลยอนันตฤกษกรรมบางข้อพวกเราทําไม่ได้ยังทําพระพุทธเจ้าห่อเลือดเนี่ยหลวงพ่อก็ทําไม่ได้แล้วท่านไม่อยู่ทําให้ห่อเลือดแล้วหลวงพ่อทําอนันตฤกยกรรมได้มากกว่าพวกเราข้อนึงหลวงพ่อเป็นพระเป็นนักบวชในรูปแบบอย่างเนี้ย ทำสังฆเพศได้ฆราวาสทำสังฆเพศไม่ได้แค่ยุยงให้พระทำสังฆเพศน้องๆกันแหละเนี่ยมาภูมิใจเลยยุให้พระตีกันอะไรนั่นใส่ไม่ทอดหรอกเนี่ยถ้าเราไม่มีดีเกินไปเลวเกินไปนั้นแล้วเราเจริญสติไปมีจิตตั้งมั่นเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้อะไรบ้างควรจะได้อะไรบ้าง ถามว่าถ้าเราบารมีน้อยเราจะได้ไหมถ้าบารมีน้อยจะไม่ได้มาเจริญวิปัสสนาหรอกคนในโลกมีตั้งเยอะแยะคนที่หัดทําวิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมาได้เป็นการมีสักเท่าไหร่กันนั้นคนที่รักใฝ่ใจในธรรมะนะจนถึงขนาดได้เรียนเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดากนสมัยพุทธกาลจํานวนมากเลยไม่เคยเรียนเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาเลยพวกเราไม่ใช่ด้อยนักหนาพวกเราก็ต้องมีบุญของเราพอสมควรแล้วยิ่งถ้าเรามาหัดภาวนานีบางคนได้ผลเร็วเดือนสองเดือนนี้จิตถ้ตั้งมั่นนะเดืนไม่นานก็เห็นขันมันแยกนะไม่นานก็เห็นขันมันเกิดดับได้ไม่นานก็เข้าใจธรรมะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับก็ไม่ได้ยากเกินไป เรอยู่ที่ว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมไหมถ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมมันก็ได้ผลใครๆได้ยินชื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารนพระเจ้าพิมพ์นะ พ, พิสารนะตั้งความปรารถนาไว้ตอนเป็นมกุกราชกุมารได้เลยขอให้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะถ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะขอให้มีพระอรหันตะ์มาถึงเมืองของท่านเมืองราชคุรุ ถ้าพระอรหันต์มานะขอให้ท่านได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆขอให้ท่านได้ฟังธรรมขอให้ท่านได้เข้าใจธรรมของพระอรหันต์ท่านตั้งความปรารถนาไว้วันที่ท่านได้พระโสดาบันท่านบอกว่าความปรารถนาของท่านสาเร็จแล้วเขาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเป็นมาก่อนแ ล, แล้วเจอเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกมาจากกระบิลพั์มาเที่ยวหาที่ศึกษาธรรมะอยู่ท่านไปเจอ เจอแล้วท่านก็ดูเมื่อเจ้าชายเศรษฐานิท่าทางดีฮะดูแววดีก็เลยบอกไว้ว่าถ้าพระองค์บรรลุอมะตะธรรมแล้วให้มาบอกด้วยนะผมตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้ให้มีพระพุทธเจ้ามาให้ได้ฟังทมให้เข้าใจรำนี่บอกเผื่อๆไว้อาจจะบอกไปทั่วๆก็ได้นะเจอนักบวชที่ไหนดีๆคงบอกไว้ก่อนนะใครจะรู้ว่าใครจะได้ นท่านฉลาดเังนัท่านท่านอยากได้ธรรมะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่จุใจต้องได้ธรรมะถึงจะจุใจเพราะพระเจ้าถึงสอนนะว่าโสดาปฏิมัตินะมีค่ามากกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเป็นจกักรพรรดินั้นเเวียนว่ายตายเกิดเป็นโซดาปฏิมัตนะิได้เป็นพระโสดาบัณฑไม่นานก็จะพนทุกข์ละดังนะั้นพวกเราไม่ใหญ่ไม่โตไม่ร่ําไม่รวยไม่เป็นไรนะ ไม่สวยไม่รวยไม่เก่งไม่เป็นไรจเจริญสติจเจริญปัญญาไว้แล้วดีเองแหละหได้พ้นทุกพ้นร้อนไปไ ม, ไม่ต้องอยู่กับโลกซึ่งน่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวมากๆนะวัดตานี่น่ากลัวที่สุดเลยคนไม่รู้จักไม่กลัวหรอกเอาต่อไปสงกันบ้านพวกอยู่วัดเชิญก่อนก็ จิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันโปร่งสบายขึ้นอืคอยรู้ทันเวลาเขาเคลื่อนนะแต่ว่าพอมันตั้งแล้วก็อย่าไปประคองให้มันเคลื่อนได้จะตั้งปึ๊กเลยแล้วไม่เคลื่อนเลยอันนั้นไม่ได้ละตึงเกินไปการภาวนาไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปตึงเกินไปก็ตั้งไว้จนไม่เคลื่อนเลยหย่อนเกินไปคือเคลื่อนจนไม่ยอมตั้งขึ้นมาเลย เมื่อคืนมันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาอยู่ดีก็เป็นรู้สึกว่ามันเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันก็เป็นขึ้นมาแล้วก็ทานยามันก็ไม่หายไก้ก็มันก็เหนื่อยด้วยเดินทั้งวันนั่งทั้งวันแล้วก็นอนพอนอนเนี่ยเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันมันเกาะมันเกาะแน่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันไปยึด พอเห็นอย่างงี้แล้วมันก็มันก็คลายมันก็เหมือนกับว่ามันไปกันคนละข้างก็เลยรู้สึกสบายขึ้นขันมันแยกออกนะแค่เราแยกขันได้นะยังไม่ถึงขนาดได้มั่งได้ผลแล้วก็มีผลประโยชน์เยอะเลยหลวงพ่อเคยรู้จักญาติญาติกันนะผู้หญิงอเวลามีรอบเดือนนี่ปวดมากเลยปวดแทบดิ้นเลยนะพอเขาภาวนาหัดแยกขันได้เขาเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความปวดลดลงไปเยอะเลย เพราะว่ามันมีความปวดสองส่วนซ่อนซ้อนกันอยู่แม้ความปวดทางกายแล้วก็ใจนี้ไปขยายความปวดให้แรงขึ้นพอสติตั้งมั่นใจไม่ไปปรุงแต่งต่อนะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดทางกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่ปรุงต่อเลยความปวดเหลือนิดเดียวไม่ต้องกินยาเลยนะมีบางคนเป็นมะเร็งนะมะเร็งปกติช่วงท้ายนี่จะปวดมากเลยแต่เขาจเจริญสติได้ดีจิตเ้าตั้งมั่นนะเขากินยาน้อยมากเลย ไม่จําเป็นจริงๆก็ๆไม่กินนะอยากแก้ปวดอ่ะฝึกอย่างนั้นทำได้ด้วยไม่ปวดจริงๆด้วยปวดไม่มากแบบปวดพอทนได้งั้นนีประโยชน์ตั้งแต่ทางโลกนะทางธรรมก็คือเราค่อยๆเห็นเลยสภาวะที่จิตไม่ยึดอะไรก็มีอยู่นะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมสภาวะที่จิตมันไม่เข้าไปเกาะกับกายไม่เกาะอารมณ์มันมีอยู่นี่เราค่อยฝึกนะคิดดูถ้าวันหนึ่งเราฝึกจนกระทั่งมันไม่เกาะอะไรเลยมันจะวิเศษสักแค่ไหน นี่ให้กำลังใจนะเนี่ยเนี่ยยิ้มละไปฝึกไปรู้สึกว่าเหมือนสบายไปหน่อยค่ะรู้สึกใจมันย้อยยยไปมาให้รู้ทันนะใจมันละละ้าละล้ามากไปหน่อยคให้รู้ว่าดูดูใจนะดูมันมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจให้รู้ทันมันนะแล้วจิต ต้องอยู่ในกายนะถ้าหลัละหลละแล้วจิตออกข้างนอกไม่ดีหายใจที่หายใจแล้วความรู้สึกตัวกลับเข้ามาข้างในนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดินนะใหญ่ยเยอะนะเยอะแล้วแน่นถ้าแน่น้วตึงเกินไปถ้าสบายเพลิอนออกข้างนอกก็หย่อนเกินไปนะพอดีๆดีใช้ได้ต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเอาจเป็นจริงๆนะอย่าโลภ ถ้าโลกให้รู้ว่าโลบเนี่มสการ์ค่ะหลวงพ่ อ, อพอดีฟังคำของหลวงพ่อมาประมาณ5ปีในช่วงปีแรกๆหนูว่ามันแยกธาตุแยกขันได้แต่ว่าหลังจากนี้มันรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยเดินปัญญามันไม่เดินก็พามันเดินสิน ะ, ะพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจกลับมาที่ร่างกายเลยถ้าเราดูจิต ด, ดูใจแล้วมันไม่ยอมเดินปัญญาเราก็มาดูกาย เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เดินเองงั้นมันสบายใจนะมันดูแล้วมันสบายก็เพลินๆมันไม่ยอมดูต่อใช่ค่ะแล้วอย่างนี้หนูต้องมาดูกายให้เยอะขึ้นกาเยอะขึ้กายนี่ไม่ดิ้นหนีไปไหนหรอกแต่จิตมันหนีเก่งถ้าดูมันไม่ทันแล้วมันไม่ยอมเห็นจิตเกิดดับนะดูร่างกายไปเห็นร่างกายไม่ใช่เราไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาพอมีแรงขึ้นมันก็กลับมาดูจิตได้ พคุณเจ้านรัสการค่ะพระคุณเจ้าอไม่ได้มานานแล้วค่ะวันนี้พอดีลูกสาววันเกิดก็เลยมาเพื่อนหน่อยค่ะตกลงมาพราแม่หรือพราะลูกเนี่ยมาพราะลูกด้วยและลูกนํามาบุญนํามาด้วยค่ะโอ้ตาตุไม่มีบุญไม่ได้มานะใช่ค่ะบุญมากจริงๆลูกเขาพามาค่ะอยากจะเรียนถามพระคุณเจ้าวันดีฉันปฏิบัติอยู่คือ พุทโธก็แล้วเดี๋ยวก็ไปและใจตอนนี้นับอานาปนสติอยู่ค่ะนับแตัหนึ่งถึงสิบอันนี้อยู่ได้นานเป็นชั่วโมงเออถ้างั้นก็นับออาทําถูกไหมคะถูกค่ะกรรมฐานใดนะทําแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวออานั้นแหละค่ะแล้วเวลาโมโหรู้ไหมรู้ค่ะรู้เร็วไหมรู้แต่มาระงับได้เร็วกว่าแต่ก่อนค่ะดีดีค่ะเราไม่ฝึกระงับหรอกนะเราฝึกรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วเขาจะดับของเขาเอง สัง <c oughs> เกตไหมก่อนจะโกรธต้องคิดนิดนึง <c oughs> ต้องคิดหน่อยหนะ่ะถึงจะ <c oughs> โกรธได้ไม่คิดไม่โกรธหรอกค่ะ <c oughs> งั้นถ้าตอนที่ใจหนีวิคิดเราก็รู้ทันแล้วก็เลยเลิกโกรธไปเลยค่ะไปฝึกบ่อยๆนะค่ะ <c oughs> โมทนาด้วยสาธุกรบมมรส ก, การพระคุณเจ้าค่ะอ้างว่ามามรส ก, การค่ะหลวงพ่อ อ, อคือจะลบกวนถามว่าการแยกขาดเนี่ยมันควบคุมได้ใช่ไหมคะได้ฝึกเอา เพราะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดบางทีหนูใช้ชีวิตประจำวันไปก็คืออย่างที่เคยส่งกันบ้านว่าไม่มีวิหาระทำอะไรแต่พอเราลึกได้เนี่ยบอกเอ๊ยเราน่าจะแยกขันนะมันก็จะแยกได้เลยว่าพี่การของมันแยกไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่คิดไปเองใช่ไหมไม่ได้คิดเองหรอกยากอะไรแยกขันง่ายอยู่ตายหนูก็่าวงั้นแต่ คือไม่แน่ใจคือคือไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเอที่เราแยกแยกนี่มันใช่หรือเปล่าหรือเข้าข้างตัวเองอะไม่เข้าข้างหรอกนะมันไม่ยากหรอกแยกกันค่ะแต่หนูจะได้แค่สามขันคือกายเวทนาจิตแค่นั้นก็พอค่ะแล้วเวลาโมโหเห็นไหมมีเห็นบ้างค่ะเพราะว่าความกลัวความกลัวก็ไม่ใช่เราเห็นไหม ยังไม่เห็นอยังโกรธเป็นรอยนั่นแหละไปหาตัวนี้แหละค่ะหลวงพ่อเคยแล้วก็จะถามว่าปกติสภาวะที่เราเคยเห็นครั้งแรกๆมันจะรุนแรงพอเห็นครั้งถัดๆไปมันจะดูเหมือนชีวิตประจําวันทั่วไปใช่ไหมคะใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาอมอย่างจิตไม่เคยตั้งมั่นนะพอตั้งมั่นขึ้นมาก็มีความสุขนะมีความสุขปุดขึ้นมาแล้วตั้งประจําแล้วไม่เป็นอุเบกขาไปแล้วค่ะเหมือนเหมือนคนแต่งงานอ่ะแต่งงานนานๆก็อุเบกขานะอืม เพราะว่ามีหลายสภาวะที่ตอนที่ปฏิบัติแร ก, แรกๆอะคะ่นะแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคือมันเห็นแต่มันไม่ได้เห็นแบบครั้งแรกมันจะเห็นเหมือนแบบก็เรารู้สึกธรรมดาแต่เห็นแต่ความรู้สึกเนะี่ยมันอ่อนไปนิดนึงอ๋อค่ะมันเหมือนสามีพัญญาที่แต่งงานกันนานๆนะ่ะสามีก็เห็นภรรยาเหมือนกันแต่แต่งตัวไงไม่รู้เลยแบบเดียวกันแหละคือจิตมันไม่สนใจ มันเคยเห็นแล้วมันเคยเห็นแล้วมันไม่สนใจที่จะดูต่อแล้วมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆไหมคะไม่อย่างนี้ไม่ไม่ละเอียดแล้วต้องค่อยคอยเพิ่มความสนใจขึ้นบ้าง <c oughs> สนใจน้อยไปไม่แค่สักว่ารู้ว่าเห็นเลยจริงๆไม่เห็นจริงแล้วใจมันเบาไปอย่างเราเห็นดูจิต ด, ดูใจนะพอมันชินนะเหมือนเหมือนรู้นะแต่จริงไม่ดูหรอกไม่สนใจจะดู เราต้องเพิ่มความใส่ใจนิดหนึ่งถ้าเพิ่มแรงก็กลายเป็นเพ่งตรงนี้หย่อนไปค่ะหลวงพ่อคะแล้วที่หนูที่ว่าเรื่องแยกขันธ์ที่เห็นอยู่นี่ถูกต้องใช่ไหมถูกแยกขันธ์ถูกแต่มันจงใจแยกนะมันเหมือนจงใจนี่คือจงใจไงต้องฝึกจนกระทั่งมันอัตโนมัติอืก็คือให้พยายามจงใจน้อยลงเรื่อยๆก็ให้รู้ว่าจงใจโอเคได้ขอบคุณค่ะแต่เบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนถูกแล้ว แต่ต่อไปก็ค่อยๆ ค, คลายมันก็แยกของมันเองอพอจิตตั้งมั่นจริงมันจะแยกเองนะถ้าเราเคยแยกขันได้แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นขันจะแยกของขันเองเร า, เราไม่ต้องจงใจใช่ค่ะเพราะหนูเคยหนูเทียบกับว่าไอ้บางทีมันแยกได้เองโดยที่เราไม่ต้องโน้มหรือว่าตั้งใจเนี่ยแล้วก็เลยนึกว่าเออแล้วไอ้ที่เราเคยตั้งใจนี้มันมันจะ<ร>ถูกไหมก็ต้องอตั้งไป <không? S 2> ก่อนนะเพรา ะ, ะว่าตอนนี้สติเราอ่อนลงค่ะ สมาธิเราก็อ่อนหน่อยมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจริงจะกระจายกระจายนะด<ะ>ังนั้นต้องจงใจไว้นิดเพิ่มความเข้มในการรู้สึกตัวขึ้นนิดหน่อยนิดเดียวกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะลงพ่ อ, อก็มาอยู่เข้าคอสามวันก็เข้าใจหลักการปฏิบัติมากขึ้น เพิ่มการดูกายตัวเองเพิ่มมากขึ้นจ้าแต่ว่ามันจะมีว่าบางครั้งจะไปสร้างมโนภาพร่างกายเราว่าอย่างสมมตินั่งอยูอ่หรือว่าทำอะไรแบบนี้ค่ะมันมันจะเหมือนออกนอกไหมคะย่างง่ะออกนอกแต่ไม่เป็นไรนะ อ, ออกไปก่อนก็ให้เห็นเนะี่ยร่างกายพยักหน้าอะไรเนะี่ยถามว่าออกไหมออกเหมือนกันแต่ออกนิดๆออกไม่มากออกไปจากจิตไปอยู่ที่กายอยาให้เกินกายออกไปก็แล้วกัน ยังสมาธิของหนูกระจายออกนอกนี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นบ่อยอะเจ้าค่ะ<อ>าาหายใจสิหายใจนะ <c oughs> จิตกระจายออกก็จิตมีโมหะฟุง้งซ่านกรรมฐานที่ใช้สู้กับโมหะที่ดีมากๆเลยคืออนาปนาสติหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเอาแค่นั้นนะอย่าเอาหายใจแล้วสงบนะเอาหายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่อยๆ เอามาเป็นวิหารละธรรมใช่ไมด้ได้หายใจแล้วรู้สึกตัวเลื่อยก็ถวายบุญที่ได้มาปฏิบัติ3วันนี้เป็นพุทธบูชาเจริญญาบูชาสาธุแล้วก็เด็พี่เลี้ยงทุท่านแลวเจ้าภาพโอ้พี่เลี้ยงสาธุสิเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้ส่วนบุญเราอนุโมทนาบุญเราได้บุญด้วยบางคนสงสัยนะว่าเราไปทำบุญมาแล้วเราเจอใครก็ให้เขามีส่วนของบุญบุญของเราจะแหว่งไหม ให้ไปครบร้อยคนไม่เหลือเลยสักเปอร์เซนต์หนึง่งอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเวลาเราที่ส่วนบุญเนี่ยเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึง่งแล้วก็คนเอาไฟเอาเทียนมาขอต่อไฟไปไฟของเขาก็ติดนะไฟของเราก็ไม่ดับนะแสงสว่างในภาพรวมมันจะมากขึ้นมากขึ้นในการอุที่ส่วนบุญเนี่ยไม่ทําให้บุญของเราแหว่งไปแต่บุญของเราจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะเราใจกว้างเมื่อคนหวงบุญนะ ใครก็ทําบุญอะไรก็แย่งเขาทําบ้างอะไรบ้างหวงไม่ยอมแผ้ส่วนบุญไม่ยอมเลยกลัวหายอย่างนี้ใจแคบนะได้บุญน้อยอ้าว่ามารายงานการปฏิบัติค่ะก็เมื่อเดือนก่อนได้ไปปฏิบัติธรรมจะเอ่ยชื่อ น, นะก็ก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปกับครู อ, อาจารย์ที่วัด อ, อ, อีสานสองรูปท่านก็ เ, เน้นว่าให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ แล้วก็อาจารย์ที่ดูแลไกล้ชิดท่านปกติโยมจะดูกระดูกดูเริ่มต้นจากเพ่งเข้าไปแล้วก็ให้สมาธิลึกแล้วถอยออกมามีผู้รู้แล้วก็พิจารณากระดูกต่อ ด, ดูจิตต่อแต่คราวนี้ท่านบอกว่าให้ให้โยมดูแบบสบายๆมีสติรู้ไปแล้วก็ค่อยลอกผิวหนังลอกอันนั้น เ, เป็นอุบาย<ๆ><อ>เป็นอุบายน ะ, ะ แ, แต่ละท่านเนี่ยจะมีอุบายเฉพาะตัวเราก็ดูว่าของเราแบบไหนเหมาะสุดท้ายก็คือเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละแยกกายออกไปให้หมด พยมพอพยมไปปฏิบัติสองวันแรกก็ก็ดูมีสติก็เหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าเผือไปคิดก็รู้แล้วก็อยู่กับ<ม>ตัวเองดูตัวเองเดินไปพอสองวันแรกเนี่ยพยมรู้สึกว่าใจโยมมันไปรวมกับจิตคือมันไปฟุง้ง<ม>ยังจับไม่ได้พอวันที่3โยมนึกถึงคำครูบาอาจารย์แล้วก็<ม>ทําตามว่ามีสติอยู่กับตัวจิตมันตั้งมั่นเดินไปแล้วก็พอปัญสงบก็เริ่มลอกหน้าออกไปแล้วก็<ม>คิดว่ามันักเออไอ รูปร่างลักษณะของเรามันก็หายไปหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งลอกไปทั้งตัวจนกระทั่งจนถึงกระดูกกระโหลกอะค่ะลอกไปปุ๊บเห็นเป็นกระโหลกใจมันยอมรับว่ามันมันเหมือนกับของคนอื่นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปด้วยเดินดูตัวเองเดินไปแล้วก็ก็เกิดปัญญาขึ้นมองเห็นแวบหนึ่งว่าตัวเองไม่ไม่ใช่ตัวเราแต่แต่ก็ตกใจอะค่ะมันยังไม่ยอมรับอันนั้นเราเห็นกายไม่ใช่เรานะยังมาเห็นไม่ถึงจิตว่าจิตยังไม่ใช่เรา จิตยังเป็นเราอยู่ต้องฝึกแล้วก็ไปเรียนถามพระอาจารย์ท่านเจ้าว่าท่านบอกว่าตอนที่โยมลอกแล้วกะโหลกเหมือนกับคนอื่นนะคะท่านบอกว่าชายเท่ากับหญิงใช่อพอแยกออกไปก็เป็นแค่วัตถุนะไม่มีผู้หญิงผู้ชายอะไรหรอกอแต่นั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะมันเป็นขั้นฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เท่านั้นเอง พอแยกได้แล้วเนี่ยต้องเห็นทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดดับได้ถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงตรงนั้นจะไม่คิดเอาละแต่ตรงนี้เป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อหัดแยกขันธ์และที่โยมเห็นว่าโยมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นปัญญาไหมคะเป็นเป็นปัญญานะแต่ยังไม่ใช่เป็นปัญญาในมรรอันนี้เป็นปัญญาที่จิตมันเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยเป็นปัญญาสาธารณะ หมายถึงว่านอกาศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้แล้วก็กลับมาเนี่ยโยมรู้สึกว่าอาจจะทําให้มีความว่องไวขึ้นในการลอกหน้าคน ม, ม, มีเห็นเห็นกิเลส ข, ของคนคนอื่นสมมติเราเราไม่ชอบคนนี้หรือคนนี้ลอกปุ๊บมันก็ดับไป อ, อย่างเร็วขึ้นแน่นอนแหละไปลอกเขานะเราก็ลืมคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจเขาความไม่พอใจก็ดับไปเห็นไหมสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุนนะ ความไม่พอใจมันมีเหตุที่เราไปตรึกในทางไม่ดีในทางพยาบาทพิตกเพราะเราไปจับเขาลอกหรือลอกตัวเองอยู่เนี่ยเราไม่ได้พิตกที่ไม่ดีแล้วโทรศัพท์ก็ดับไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะเหตุของกิเลสนั่นดับไปแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยทําให้มันโยมเข้าใจว่าที่หลวงพ่อสอนสองอย่างว่าคือสิ่งที่ยมทําคือตอนแรกเนี่ยดูกระดูเข้าไปแล้วถอยออกมามีผู้รู้อืล แล้วก็เอามาพิจารณากายใจตอ<ด>่อแล้วก็<ม>หรืออีกแบบหนึ่งที่ที่โยมอยู่กับตัวให้มีสมาสมาธิแล้วก็เอามาพิจารณากายพิจารณาใจไปคือมีคือเข้าใจขึ้นมาบ้างอะค่ะ<ม>แต่ว่าไอตอนที่โยมเข้าสมาธิแล้วถอยออกมานโยมจะติดสภาวะเกือบทุกครั้งต้องให้ครูบาอาจารย์แก้กัอบ<ม>ทุกครั้งหนึ่งค่ะเวลานั่งสมาธิอย่าน้อมจิตเั่วไปเวลาจิตสงบมาให้สงบแล้วตั้งมั่น อย่าเคลื่อนออกไปนะเคลื่อนไปแล้วไปหลับอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ย่าง น, น, างนันไม่ดีออกมาแล้วโมหามจะมาด้วยเพิ่มสติขึ้นอย่งนั้นเรียกสมาธิล้าหน้าสติไปค่ะแล้วก็คือแต่ว่าสงสัยเมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศว่าเออตอนแรกโยมยมคิดว่าหลังจากที่เราดูเดินดูไปแล้วก็ เผอไปคิดก็รู้เผอไปคิดก็รู้จิตตั้งมั่นเนี่ย ม, มันคือมันมีการแยกธาตุแยกขันในตัวยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บาง<ม>คนแยกบางคนที่เคยแยกเนี่ยแยกเลยบางคนไม่เคยแยกก็แยกมันเป็นส่วนๆคิดไปเลยมผมคนเล็บฟันหนังนะั้นลอกมันไปเรื่อยนั่นก็คือวิธีฝึกเพื่อจะให้เห็นว่ากายกับจิตนะั้นคละอ่านกันเท่านั้นแหละมเมื่อกายกับจิตเป็นโคนละอ่านแล้วนะพิณาแยากธาตุแยกขันได้แล้วนะก็จะเติดปัญญาทำมิปรสนาจริงๆได้ ตรงนี้นาเนี่ยจะไม่คิดเอาแล้วแล้วก็มีมีมีคนมีเพื่อนฝากถามมาคะ่ะว่าที่หลวงพ่อเขียนในหนังสือบอกว่าธาตุธาตุาเป็นสี่ธาตุธาตุอื่นรู้ด้วยกายแต่ไอธาตุาน้ำรู้ด้วยใจธาตุาาน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ําอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะคําว่าธาตุน้ําในทางธรรมะเนี่ยหมายถึงตัวที่เป็นแรงดึงดูดทําให้ธาตุทั้งหลายเนี่ยมาเกาะตัวกัน มันคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลอะไรเงี้ยหวังว่าวันหนึ่งโยมคงจะเข้าใจขอบคุ ณ, คณมากไม่จําเป็นเข้าใจกิเลสของเราดีกว่าอีกนะที่เขาต้องไปดูอะไรกันเยอะแยะนะเพื่อวันหนึ่งจะกลับเข้ามาที่จิตนในต่างหาะที่ไปลอกกายให้หมดเลยเพื่อจะเข้ามาที่จิตต่างหากถ้าเข้ามาถึงจิตจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยคราวนี้แหละเราเดินปัญญาตัวจริงได้แล้ว ครูบาอาจารย์เคยสอนนะหลวงปู่เทศนะเคยพูดด้วยซ้ำไปว่าคิดพิจารณากายเป็นสมถะนะหลวงพ่อพูดที่เคยสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหมายถึงไม่ได้คิดเอาแต่เห็นเอาเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยปัสนะถือว่าการเห็นวิปัสนาว่าเห็นถูกเห็นจริงเห็นแจ้งไม่ใช่วิตกวิตกว่าตรึกเอาวิจารณ์ว่าตรองเอาไม่ใช่วิตกวิจารณ์เพราะงั้น ขั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจว่าผมคนเล็บฟันหนังไม่สะอาดอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนั้นเป็นอุบายเพื่อจะแยกขันเท่านั้นเองน้าหลวงพ่อค่ะเมื่อสิงหาปีที่แล้วหลวงพ่อมีให้การบ้านมาให้ไปดูที่ความลำคัญใจอก็ดูมาตลอดนะคะแต่ทีนี้เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาภาวะนี้มันจะมีบ่อยมากอืม สังเกตไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนเนี้เราไม่เหมือนกันนะที่หลวงพ่อให้ไปดูความลาคาญใจเพราะมันเกิดบ่อยแล้วก็ดูไปดูไปเราก็เห็นว่าจิตกับความลาคาญใจมันโครานกันนะเดี๋ยวความลาคาญใจมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตมันอยู่ต่างห่างตอนนี้ขันมันแยกออกจากกันได้จิตเราไม่เหมือนแต่ก่อนเห็นไหมร่างกายกับจิตเป็นโครานกันดออกไหม ทำได้แล้วนะที่หลวงพ่อบอกให้ทำอย่างไงเพื่อจะมาสู่จุดเนี้มันเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์สิดไีไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกจุดสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเห็นความทุกข์แล้วไปเกลียดมันนะให้รู้ทันใจที่เกลียดนะให้รู้ที่เกลียดเลยดูเข้าไปตรงๆที่ความรู้สึกเกลียดความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ต่อไปเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกสังเกตไหมจิตเราไม่เหมือนเดิม เห็นไหมว่าทุกมันอยู่ห่างออกไปดูออกไหมตอนเนี้ยพูดซิพู ด, พ, ดพยักหน้าเนี่ยเขาฟังสีดีเขาไม่รู้อาจจะด้วยว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานี่มีวินัยกับตัวเองในการทำในรูปแบบดีมากค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราวางตรงนั้นได้มากใช่ยิ่งฝึกนะจิตก็อยู่ส่วนจิตนะทุ ก, ก็อยู่ส่วนทุกนะฝึกไปเรื่อยๆโลกก็อยู่ส่วนโลกอะไรๆก็ดูห่างๆออกไปนั่นแหละ ค่อยๆฝึกจนใจมันพ้นโลกนะหลวงพ่อมีการบ้านอะไรให้ให้แล้วนะให้ไปฝึกต่อฝึกได้ดีแล้วล่ะให้ไปดูตรงที่จิตไม่เป็นกลางต่อความทุกข์การนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นรู้สึกว่ามันจ้าจ้าอยู่ข้างนอกค่ะหลวงพ่อดีที่รู้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบว่า ประคองเพลงอยู่ตั้งสองสามวันฮเพลงทีละสองสาวันแล้วทแววแวีแล้วทีวนี้พอไปรู้ทันคราวนี้ก็ฟุ้งซ่านเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ลูกยันนีพัดสะแบบยันนีอ ย, อ, อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้พอดีเปลียนงานก็แบบกระโทบพัดสะทั้งวันเลยค่ะคราวนี้ก็จะเห็นโทรสะเยอะมากนั่นแหละดีนะค่ะเห็นไฟเลยจิตมันจะมีโทรสาห้ามมันไม่ได้ โลาคก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหลวงพ่อคะลูกทำสมาธิน้อยไปไหมคะรู้สึกเหมือนบางครั้งมันก็ไม่ค่อยมีกาลังไม่มีแรงน ะ, ะเพิ่มขึ้นหนอก็ได้แต่อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะค่ะทำสมถทาต้องรู้หลักทำอย่างสบายทำอย่างมีความสุขเช่นเราหายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตก็สงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าตั้งอกตั้งใจจะให้สงบเนะี่ยจิตจะเครียดไม่สงบหรอก งั้นไปทำด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตจะสงบง่ายแม้มันมีเคล็ดลับทั้งนั้นแหละถ้าจิตฟุ้งซ่านทําไงดีหาเครื่องอยู่ให้จิตนะจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้พุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ท่านจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตขยันคิดนั่นแหละพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปแล้วรู้พุโทโธจิตหนีแล้วรู้สุดท้ายก็หายฟุง้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา คนสุดท้ายแล้วนามส ก, การค่ะหลวงพ่อือมดูออกไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันใช่ค่ะทำไมหลวงพ่อรู้รู้ไห ม, ไมนะเพราะทุกอย่างไม่เที่ยง <c oughs> <c oughs> อาว่ามาค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะก็ประมาณสี่เดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อให้กันบ้านให้ไปเริ่มดูกายจากที่ก่อนหน้านั้นมาส่งว่าจับทิศจับทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปดูกายแล้วก็ กลับไปทําในรูปแบบมากขึ้นทีนี้พอเหมือนกับว่าภาระเรื่องหน้าที่การงานจะค่อนข้างเยอะนิดนึง่ะคะยมก็เลยแบ่งทําในรูปแบบเป็นช่วงสั้นๆแต่ว่าวันหนึงสองสาช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีหนูพ่อแต่ก่อนก็ทําอย่างนั้นแหะคือทํามารอทําทีเดียวตอนกัางคืนมันจะหมดแรงหรมันหลับค่ะก็จะหลังพักทานอาหารกลางวันบ้างก่อนทํางานตอนเช้าแล้วก็ตอนดึกอีกนิดนึงเออต้องแาบนั้นแหละดี แล้วทีนี้ดูกายไปแล้วมันก็เริ่มเห็นว่ามันมันทำงานของมันเองอะคะบางวันเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจิตก็ฟุ้งของเขาไปเรื่อยๆอบางวันก็จิตก็จะจะนิ่งจะศรัทธาอะไรอของเขาไปตามตามเรื่องก็ตามเห<ม>็นไหมจิตเขาก<ป>็แปรปรวนไปเรื่อยๆนะแล้วก็กายก็อยู่ส่วนกายนะกายก็ทำงานของกายไปจิตก็ทางานของจิตไปนี่แหละเรียกว่าภาวนาเป็น หลวงพ่อถึงถามไงว่ารู้สึกไหมว่าตอนนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วล่ะค่ภาวนาเป็นแล้วต้องภาวนาอีกก็ข อ, อการบ้านเพิ่มเติมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะหลวงพ่อก็รู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปก็แล้วกันแต่ไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนนะเคลื่อนแล้วรู้ไม่บังคับว่าห้ามอย่าเคลื่อนนะอย่าเคลื่อนอะไนี้ไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงทีนี้เวลาทํานีิรูปแบบอะค่ะมัน พอมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะมเราก็ดูมันไปเรื่อยๆ ส, มมสมมว่าหนูขยับมืออะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะนะทำไปเรื่อยแหละเราก็เราทําไปไม่ใช่เพื่อบังคับให้ได้แต่เราทําไปเพื่อเห็นความจริงว่าเราบังคับไม่ได้ยันใจยอมรับความจริงนะกายนี้เราก็ไม่ใช่บังคับได้จิตเราก็บังคับมันไม่ได้ไม่ใช่เราหรอก<า>ดู<า>ไปจนมันยอมรับค่ะเหมือนบางวันกําลังบางทีก็นั่งนึกเอ๊ะหรือเราคนจะต้องทําสมาธิบ้างไหมเพื่อ ใ, ให้จิตมันมีกําลังมากขึ้นแต่มันก็บังคับ ให้มันสมถาะาไม่ได้เพราะมันก็จะเห็นว่ามันมันทำของมันเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะถึงจุดหนึ่งก็ต้องบังคับให้มันทําสมถะบ้างนะมันเหมือนคนขยันทํางานแล้วไม่ยอมนอนอะ่ะถึงเวลาจําเป็นแล้วต้องนอนแล้วก็ต้องพักบ้างไม่เดินปัญญาเน้นการเดินปัญญาถ้าเดินรวดไปเลยใจไม่ค่อยมีแรงนะเมื่อทีมอริยมรักไม่เกิดต้องพักบ้างนี่บางคนเนี่ยจเจริญปัญญารวดไปจิตไม่ยอมสงบเลยพอนานน า, น, น, า น, นานไปนะ ปัญญาเนี้ยก็เจริญไปเรื่อยเลยแต่ไม่ยอมตัดหรอกถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะจัดการตัวมันเองมันจะเหมือนหลับทั้งวันทั้งคืนเลยมันจะน้อมเข้าไปหลับมันจะพักรูปเดียวเลยทําไงก็ไม่ยอมเดินปรญญาอีกต่อไปละถ้าถึงจุดนั้นเราก็ไม่ฝืนนะให้มันพักให้เต็มอิ่มเลยพอพักเต็มอิ่มมันขึ้นมาเจริญปัญญาต่อแล้วมันขาดเลยตอนนั้นนะงั้นจิตก็ต้องการพักเหมือนกันงั้นถ้าเราพามันพักได้ทุกวันทุกวันก็ดีนะ วันละเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าถึงไม่ยอมพักเลยนะแล้วเราทนเจริญปัญญารวดไปถึงวันหนึ่งมันจะพักของมันเองอก็ลองพยายามฝึกให้มันในลูกสมถะวันละนิดวันละหน่อยให้พอมีกาลังขึ้นมาห่พวกเราแต่ละคนนะมันเหมือนแบตเตอรี่เสื่อมทั้งแ้ต้องชาร์จบ่อยๆชาร์จไว้จะใช้ได้แป๊บๆขอบพระคุณค่ะบางคนบออยาก ใช้นานๆ น, นนะโทรศัพท์ก็ฮิ้วหม้อแบตเตอรี่ไปด้วย <S <S 1> <S 1> สมัยโบราณโทรศัพท์โบราณนะต้องฮิ้วแบตเตอรนะี่นะไปทีน่ะรู้สึกทุกข์ทรมานมากเลย <S 1> <S 1> เอาเชิญกลับบ้าน